พระธรรมเทศนาแผ่นที่52ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่17พฤษภาคม2556มีชื่อเรื่องว่าต้องรู้จากสถานะของตนเองวันนี้เป็นวันที่17 พฤษภาคมพุทธศักราช2556วันพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบ7วันหลวงพ่อคูณชูเมโธวัดป่าภูดินดันมรณภาคตั้งแต่วันที่12วันพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบ7วันสัตตะมาวานหลวงพ่อฉันยังหันเสร็จแล้วคงจะได้ออกไปวันพรุ่งนี้ วันที่18วันปรุ่งในเช้าให้พระนักศึกษาที่เขามาบวชด้วย7สถาบันครบรอบวันลาศิกขาวันที่18แล้วก็น่ให้มาแต่เช้าประมาณสักตีสีครึ่งให้เตรียมผ้าผ้าไตรสังคาตีวอสบงแล้วก็แสดงอาบัติให้เรียบร้อย สี่สครึ่งหลวงพ่อจะลงมาแล้วก็ขอให้พระเวนศาลาจัดสถานที่ให้เรียบร้อยแล้วก็คงจะใช้เวลาไม่นานแต่ที่ยังไงพวกเราหลายหลายองค์ก็คงใช้เวลานานห น, น่อยแต่องค์เดียวน่าไม่นานแป๊บเดียวลาศิขาไม่เหมือนบวชบวชต้องใช้เวลานาน มีการสวดมีอะไรด้วยจะรับสินห้าสมาทานสินับพระไตรสรณคมพร้อมพร้อมกับสินจากนั้นข่กลกาวคำลาสิกขาจากนั้นรับสินห้าคงจะจบไม่นานแต่ถึงยังไงก็ตามนะพระที่เข้ามาบวชในโครงการทั้งหมดต้องศึกลาสิกขาไปให้ไปพร้อมกันซะก่อนพอหลวงพ่อไม่อยากจะ สร้างปัญหาบางทีพวกหนึ่งสึกพวกหนึ่งอยู่แต่ครูบาอาจารย์บางองค์ต่างก็ถือว่า อ, อบพมพระลูกหลานได้ผลเพราะ อ, อยู่ในพระพุทธศาสนาต่อไปแต่หลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้น เ, เมื่อปวดในโครงการก็ควรจะศึกในโครงการซะก่อน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 ให้ศึกษาซะก่อนจากนั้นเราจะเข้ามาเป็นส่วนบุคคลเราก็ค่อยถามไทยว่าไปยังไงมายัางไงมีเจตนาอะไรแล้วเราจะได้ศึกษาถี่ถ้วนจากนั้นเราจึงจะให้บวชแต่เราไม่ได้ศึกษาถี่ถ้วนเรายังไม่รับเพราะกลัวจะมีปัญหาทุกวันนีมันมีปัญหาเยอะแยะที่จะตามมาเพราะนั้นพวกเราบวชในโครงการ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 พอครูบาอาจารย์ไปเทศนาว่าการเกิดความเคารพนับถือเรื่อมสายอย่างมากบวชไม่เอากระทั่งใบประกอบโรคศีลเมื่อเรียนจบแล้วพอจบแล้วก็บวชเลยเสียสละจะไปเอาอะไรใบโรคศีลอาจารย์คงจะว่ายอย่างนั้นอย่าไปยุ่งเทงมันหมดแต่ขนาดร่างกายเรายิงจะเทงทําไมจะไปหาสนใจเรื่องใบประกอบโรคศีล ใช่ในเมื่อมีศรัทธามันก็ทำได้แต่อยู่ไปตัวไปเท่นี้เออสิบกว่าพันสาขึ้นมาอะไรตัวนี้จิตใจมันถอยหลังเท่านี้เอออยากจะศึกงานพอศึกออกไปจะไปขอใบประกอบโปรกสินที่เราเรียนจบมาแล้วนั่นเขาไม่ให้เพราะเหตุไรเพราะว่าตัวเองบวชเข้ามานานแล้วนี่แหละอันนี้จะทำยังไงได้ก็เลยเสียอนาคต ของตัวเองไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อคิดไม่ใช่ไม่มีมีประสบประการณ์เรียนรู้มาสมควรถ้าว่าผู้ที่เขามาบวชพ่อแม่พี่น้องก็ยินดีที่จะให้บวชเพราะบวชมีเวลาจํากัดแต่พ่อที่จะบวชเลยเลยเข้าไปเนี่ยพันธุยาว่ายังไงลูกว่าอย่างไงพ่อแม่พี่น้องว่าไงเจ้านายว่ายังไงถึมันหลายหลวงตุงนางฮะ ผลในสูงก็เลยไม่มีที่ไปที่มาก็มาด่าเจ้าของโครงการที่หลวงพ่อให้บวชอีกต่างหากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองไม่อยากจะรับรู้รับทราบในสิ่งเหล่านั้นพอในเรื่องวัดของเราก็ยุ่งพอแรงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นและจะเอาเรื่องทางนอกมาใส่อีกอย่างคนโบราณเขาว่าไม่มีเหาหาเหาใส่หัวนะลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองต้องระมัดระวัง อย่างมากเพราะนั้นลูกหลานที่บวชมาในโครงการในคราวนี้เนะี่ยกรลาสิกขาซะตามกาหนดมีอะไรยังค่อยว่ากันในอนาคตนะอันนี้ก็คือบวชราวสิกขาแต่ถึงยังไงพวกเราได้มาบวชในพระพุทธศาสนาได้มาบวชในโครงการหลวงพ่อเองก็ทุ่มเทยอย่างสุดๆยดเ่ว า, างอย่างสุด ๆ, ส, ดๆสุดความสามารถ ที่หลวงพ่อที่มีอยู่ถึงหลวงพ่อหลวงพ่อจะไม่ได้มาพูดเองแต่ก็พระพี่เลี้ยงหลวงพ่อก็แนะนำให้มาช่วยดูแลพวกเราท่านทั้งหลายพาทาวัดเย็นแล้วก็เปิด MP3 สให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาไม่ขาดเหมือนถึงหลวงพ่อจะไม่อยู่ก็เหมือนหลวงพ่ออยู่เพราะเหตุไรเพราะ ฟังทำคำสอนของหลวงพอ่อทุกวัน ต, ตั้งตอนเช้าท่าหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อกับพยายามแนะนําบอกกล่าวเรื่องต่างๆที่หลวงพ่อได้ประสบประการต้อควรจะรับรู้รับทราบเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอย่างเมื่อเช้านี่หลวงพ่อก็ได้พูดว่าการเป็นอยู่พวกเราควรปฏิบัติตนอย่างไรควรเห็นอกวเห็นใจกันอย่างไร ควรปฏิบัติตนอย่างไรไม่ใช่ว่าเอาตัวเองเป็นใหญ่จะทําอะไรต้องไข้ควรใคร่ควรไตรตรองด้วยดีนิสมมะกรนังเสยโยไข้ควรซะก่อนจะค่อยทําทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทําอะไรพู้ดพราดทําอะไรแบบปลุกปีลุกตนทําอะไรไม่คิดไม่อ่านผลในสุดความเสียใจก็จะตามมาเมื่อภายหลังเพเหื่อไรเพราะตัวเองขาดความรอบคอบ นี่แหละหละักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาธรรมคาสอนของพระพุธทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวไว้อย่างหนักในเรื่องเหล่านี้ทําอะไรคิดให้ดีทํำรอบคอบให้ถีท้วนก่อนที่จะพูดอะไรออกไปไม่ใช่ว่ารล้วมปาแล้วพูดออกไปผลที่สุดพอพูดออกไปแล้วล่ะคําพูดของตัวเองคํานั้นล่ะเอ่อมันจะมาพันอยู่ในจิตในใจของพวกเราท่านทั้งหลาย ฉนั้นใคพวกเราพกทุกท่านนะผ่านาศึกษาได้มาบวชในคราวนี้เมื่อลาสิกขาไปแล้วอย่างน้อยก็ให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจะทำสิ่งไหนให้ค่ควรซะก่อนอย่างที่ว่าเป็นอันดับแรกจากนั้นก็ควรจะมีการไหว้พระสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนบ้างถ้าเป็นไปได้ทุกวันตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้น จากนั้นถ้าเป็นไปได้มากกว่านั้นก็ควรจะยึดผู้ ด, ดีคือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งถ้ามากกว่านั้นควรจะมีสินห้าประจํากายวาจาของเราถึงจะไม่มีสินห้าก็ให้เทิดทูลสินห้าเอาไว้ถึงจะรักษาไม่ได้ก็เทิดทูลว่าข้าพเจ้าเห็นคุณค่าในสินห้าแต่ข้าพเจ้ายัง เออสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้ายังไม่เอื้ออำนวยแต่ข้าพเจ้าเคิดขอเทิทูนบูชาเอาไว้อีกสักวันหนึ่งถ้าข้าพเจ้ามีโอกาสเหมาะถูกต้องข้าพเจ้าจะรักษาสินห้าให้ได้คือให้มีความตั้งใจในใจเอาไว้ส่วนหนึ่งหรือเออเอกมุมหนึ่งถึงข้าพเจ้าจะรักษาศินห้าไม่ได้แต่ข้าพเจ้าจะรักษา ข้อใดข้อหนึ่งที่เขาไปเจ้าที่มดเว้นได้ยากที่สุดหรือตามแนวแถวที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวแนะนำํำสั่งเสียหรือว่าขอร้องเรียกว่าบินถาบาดกับพวกเราที่เข้ามาบวชในคราวนี้หลวงพ่อบอกว่าเรื่องสุราณนะแต่ก็ไม่ใช่หนักหนาหนเป็นเรื่องของพวกท่านเองแต่ถ้าหากว่าพวกเรา หนักไปทางดื่มสุราเมื่อดื่มเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อพวกท่านขาดสติพวกเราขาดสติแล้วขาดการยับยัง้งขาดการยั่งคิดขาดการกระทําขาดก า, การแนวความคิดแล้วก็พูดหลวมป่าก็พูดไปเรื่อยแล้วกัการกระทําของเราก็ทําโดยขาดสติคนที่ขาดสติทําความชั่วได้ทุกอย่างหลวงพ่อได้สั่ง พวกเราเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อพวกเราออกไปเป็นค า, ารวาสพวกเราควรจะสํานึกนกคิดถึงคําพูดของหลวงพอ่อว่าหลวงพ่อสั่งเสียถ้าลูกหลานหวังความเจริญในชีวิตหรือหวังความเจริญในหน้าหน้าที่การงานถ้าเป็นไปได้หรือว่าข้าพเจ้าจะงดเว้นในการดื่มสุราโดยเด็ดขาดนี ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ข้าข้าพเจ้าศึกคราวนี้แหละข้าพเจ้ามองดูแล้วที่หลวงพ่อพูดให้ฟังแล้วมีเหตุผลข้าพเจ้ายอมรับได้ในเหตุผลนี้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะสอนตนเองสอนใจของตนเองจะไม่ให้ถล่มหรือกมกมุ่นในการดื่มของมืนเมาตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป เนี่ยอยากจะให้ลูกหลานมีความสัตย์จริงกับตนเองถ้าพวกเรามีความสัตย์ความจริงกับตนเองแล้วชีวิตทางชีวิตของพวกเราก็จะก้าวหน้าแต่ถ้าว่าพวกเราเราลาะแหละแหละหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้เหมือนไมไม้ปักขี้เลนเนลมพัดไปทางไหนก็เอ็นไปทางนั้นหาความจัดความจริงกับตนเองไม่ได้ลูกหลานทั้งหลายอย่าหวังเลย ชีวิตทั้งชีวิตของลูกหลานจะล้มเหลวตลอดไปจนถึงชีวิตจะหาไม่พูดอย่างนั้นได้พอเหตุไยเพราะเราขาดความสั์จริงความขาดความจริงใจในการดำรงชีพอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็หนักใจไปแต่งงานมีภรรยาภรรยาคร อ, อบครัวของทางภรรยาก็หนักใจถ้ามีลูกขึ้นมาลูกก็หนักใจ เพราะเหตุไรพราะเราเราแหละหาความสัตย์จริงไม่ได้หาความเป็นตัวของตัวไม่ได้เพราะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านที่เข้ามาบวดในคราวนี้ให้มีความสัตย์จริงเป็นความจริงจังและจริงใจให้รู้จักสถานะของตนเองเราอยู่ในสถานะไหนควรจะปฏิบัติตนอย่างไรสิ่งเหล่านี้ต้องมองมอง การเป็นอยู่ของเรามองสถานะของตนเองถ้าเราขาดการมองสถานะเรื่องการเป็นอยู่ของตนเองแล้วเราจะเดือดรออ้อนเราจะเดือดร้อนเมื่อตัวเองเดือดร้อนผู้เกี่ยวข้องอยู่ใกล้เราก็เดือดร้อนไปด้วยเพราเหตุไรเพราะเราไม่รู้จักสถานะการเป็นอยู่ของเราไม่รู้จักการเป็นอยู่ของเราผูกถึงเลือกลาบเรื่องยศชนะเชิญทั้งหลายทั้งปวง เราเหมาะสมอยู่ในสถานะไหนควรปฏิบัติตนอย่างไรสิ่งเหล่านี้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดถ้าหาว่าตัวเองอยู่ผิดสถานะไม่รู้จักประมาณตนทาให้ตนเองเดือดร้อน อ, อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีท่านปาราเรื่อง ช่างตัดผมอยู่ที่เมืองเวสาลีแต่ช่างตัดผมคนนี้เป็นคนมีเป็นผู้มีสินรักษาสินห้าประจำตลอดเป็นคนยึดมั่นในพระไตรสาระนคมยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีสินห้าประจำตลอดเดื่มใสในพระพุทธเจ้ามาทาคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่เขาทำงานในวังเป็นช่างตัดผมหลวงไอ้ค้าว่าไปทำงานในเวียงวังพระบรมวงศานุวงศ์องค์งไหนที่จะตัดผมนายภูษามาราในช่างตัดผมแล้วเขาไปตัดผมในเวียงวังวันหนึ่งได้พาลูกชายเข้าไปลูกชายกาลังเป็นหนุ่มเข้าไปในเวียงวังเข้าไปลูกชายไปเห็น นางลูกสาวของมอมหลวงมอมนั่นน่ะอยู่ในเวียงวังเกิดความชอบใจอย่างมากแต่เขาไม่รู้ว่าตัวเองชอบเขาแต่ตัวเองไปขโมยขโมยรักเขาพูดง่ายๆเขาไม่ได้รู้จักตัวเองเลยแต่ตัวเองไปขโมยขโมยรักเขาไอขโมยรักคำนี้น่นสิมันทุก อ, อกทุกใจมากๆเพราะเขาไม่รู้ พอกลับมากะบอกพ่อว่าพ่อผมอยากจะได้อนางกษัตริย์ที่ผมเห็นอวันนี้น่ที่พ่อพาไปที่เดินผ่านมาจุดนั้นน่ะผมเห็นผมชอบใจมากเลยอผมอยากจะได้นางกษัตริย์มาเป็นเมียของผมมาเป็นแฟนของผมทั้งพ่อโอยอย่าเลยลูกเราอยู่ในสถานะ เป็นช่างตัดผมลูกช่างตัดผมเราจะไปชอบลูกสาวของกษัตริย์เนี่ยคิดมักให่ไฟสูงเกินไปและลูกไม่น่าจะคิดอย่างนั้นทางลูกชายนะบอกว่าถ้าหากว่าผมไม่ได้นางกษัตริย์คนนั้นผมจะไม่ทานอาหารผมจะเป็นกินน้ำผมยอมตายผมจะตายเพราะว่าผมรักชุดอกชุดใจจริงๆนะ เ, เพียงขโมยรักเท่านั้นก็ถึงขนาดนั้นแล้ว อยากนั้นพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าพูดไปก็มันยิ่งขายหน้าไปอีกเพราะมันเกินสถานะของตัวเองที่จะไปพูดถ้าไปสู่ขอถ้ากูขอเข้าไปเงินเพ้เอเพอจะถึกโทษประหารก็ไม่รู้อีกต่างหากพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มีแต่ปลอบโยนให้คนนั้นมาปลอบผี่น้องมาปลอบลูกพี่ป่านาอาปูญาตายายผู้ที่รู้จักมักคูดมาปลอบปอบก็เท่านั้น เพราะมันปักใจผลที่สุดลูกชายก็เลยตายี่ยตายด้วยความรักนี่ยพอตายไปแล้วทีนี้ลูกพ่อก็เลยจัดงานศพพกจัดงานศพเรียบร้อยแล้วก็ลูกพ่อก็เลยจะทํายังไงได้ผมเป็นความรักของเขาเราก็ไม่ได้ฆ่าเขาเขาตายลูกพ่อก็มีศีลห้าอยู่แล้วปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเนีกะปรงปลงตกแล้วงั้นเถอะจากนั้นก็ได้เข้าไปกราบพระพุพทธเจ้าตอนเย็น กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ลูกชายตายเพิ่งจัดงานศพเพิ่งเสร็จพระเจ้าคา่ะพระองค์บอกว่าทําไมเป็นเพราะอะไรเพราะว่าข้าพระองค์ได้นำลูกชายเข้าไปในเวียงวังลูกชายไปเห็นรูปเห็นนางกษัตริย์นางหนึ่งก็เลยออกมาเลยติดในรูปอยากจะได้นางกษัตริย์นั้นมาเป็น พัญญากระผมก็ไม่กล้าพูดเพราะมันเกินสถานะของเราที่จะต้องพูดห้ามปลามยังไงก็ไม่ฟังไม่กินข้าวกินน้ำผลที่สุดก็เลยตายาพระ อ, องค์ก็เลยได้จัดงานศพให้เขาพระเจ้าขาเจ็ดเจ็จแล้วก็มานี่ละ่ะพระเจ้าขาพระพุทธองค์บอกเออในเรื่องนี้นยะมันเคยเป็นมาแล้วในอดีตนี่แหละหมาจิงจอก ไอ้ตะกอนเมันเคยมีมาแล้วมันเรื่องอย่างนี้พ่อของเด็กหนุ่มคนนั้นกับพระสงฆ์ทนายลกราบทูลพระพุทธเจา้าว่าเป็นมาด้วยเหตุอันไหนหนอพระเจ้าข่าในอดีตชาติพระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งอยู่ในป่าหิมพานต์มีถ้ำทองมี ราชสีอยู่ด้วยกันสิบตัวแล้วก็มีพ่อแม่แล้วก็มีพี่ชายใหญ่แล้วก็มีน้องชายแล้วก็มีน้องสาวคนตัวสุดท้ายน้องสาวตัวสุดท้ายรวมแล้วเป็นสิบสรุปแล้วก็คือน้องชายหกพี่ชายใหญ่หนึ่งแล้วก็พ่อแม่แล้วก็น้องสาวเป็นสิบ ดูด้วยกันอยู่ในถ้ำทองนะอยู่ในป่าหิมาพานต่อมาพ่อกระตายพอท่าตายแล้วก็พี่ชายก็เป็นพี่ชายใหญ่ก็ดูแลน้องๆแล้วก็ไปออกไปหาอาหารอมาเลี้ยงแต่ให้น้องน้องตัวเมียตัวจุดท้ายนะ่ะเห็นที่เป็นน้องสาวอยู่ในถ้าดูแลอยู่ในถ้ำพวกพี่ชายทั้งหก ทังเจ็ดตัวนี่ยก็ออกไปหาล่าเหยื่อมาเลี้ยงอยู่ต่อมาแต่นี้มีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งอยู่ในถ้าเงินแต่ถ้าเงินนะมีมันเป็นถ้าแก้วผลึกแก้วผลึกคือแก้วใสมองไปเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับมองดูในอากาศอย่างนั้นน่ะมองมองอูแล้วแต่ในหมาจิ้งจอกตัวนั้นน่ะ ขณะที่ราชสีพี่ชายขอางมา่อยู่ราชหมาจิงจอกตัวนี้ของคงจะเป็นหมาจิงจอกใหญ่เข้าไปกับไปเกี่ยวพาราศีราชสีตัวตัวเมียน้องสาวของราชสีทั้ง7ตัวนะแต่ที่นางราชสีตัวนี้ไม่พอใจว่าหมาจิงจอกไม่รู้จักสถานะของตนเองมาเกี่ยวพาราศีทั้งที่ แมหมาจิงจอกคิดว่าเขาจะรักตัวเองแต่นี่นางพอเสร็จแล้วกับ น, นางราชสีตัวนี้ก็เข้าไปนอนอยู่ในอยู่ในถำ้ำพอเห็นพี่ชายเข้ามาพี่ชายเข้ามาทั้งห้าหกตัวคาประหารมาให้นางราชสีไม่กินอาหารว่าเสียใจที่หมาจิงจอกมันมาดูถูกเกีียวพาราสีทางราชสี พี่น้องหกตัวนั่นก็มันอยู่ที่ไหนหมาจริงจอกเนางราชสีห์ก็บอกเนะี่ยอยู่ในถ้ำเงินนะที่มองเห็นแต่มันอยู่ในอากาศนะเหมืะนหมาจริงจอกอยู่ในอากาศคือตามไม่จริงมันอยู่ในแก้วผลึกแต่มองเห็นเหมือนกับอยู่ในอากาศแต่ในราชสีห์ทั้งหกตัวนี่นก็พอได้ยินน้องสาวพูดอย่างนั้นนะโอ้โหมันอาจเอื้อมขนาดนี้เหรอ ไอช้ชาติหมาจริงจอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปขยำ ม, มันเดี๋ยวนี้แหละพอเดินออกไปปากถ้าไปเห็นมองเห็นหมาจริงจอกตอนนั้นมันยังนอนอยู่ในแก้วผลึกถ้าแก้วผลึกพอตัวเองกระโดดเข้าไปอย่างแรงเลยเพื่อจะไปขยํา ม, มันหมาซาตอสีมันกำลังแรง กระโดดเข้าไปอกไปกระแทกกับแก้วผลึกฮเฮิ่งลงมาอกแตกตัวที่สองคิดว่าตัวพี่กำลังไม่พอกระโดดซะอีกผลี่สุดกระโดดทั้งหตัวตายมดทั้งหตัวเนี่เพราะว่าไม่รู้ว่าแก้วนะั้นคือแก้วผลึกแก้วใสแต่พี่ชายใหญ่มาถึงก็เลยถามอีกเป็นยังไงน้องชายบอกว่าตาย พี่ชายนอ้องชายพี่ชายไปกระโดดใจนั่นอะ่ะทางพี่ชายนี่ก็เลยอืแสดงว่าน้องของเราเนี่ยขาดความรอบคอบไม่รู้จักอการเป็นอยู่ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเราถ้าใครก็ตามถ้าว่าไม่รอบคอบถึงขนาดนี้เหมือนเขาอมของร้อนเข้าไปในปากความเรือดร้อนจะต้องตามมา ว่าอมของร้อนเข้าไปในปะเพราะนั้นเราเออเห็นแล้วเนี่ยมันดูดูแล้วหมาจิงจอกจะไป น, นอนในอากาศได้ยังไงมันมีที่ไหนมันต้องมีสิ่งใดสี่หนึ่งอยู่ในนั้นในรัตพระพุทธเจ้าเป็นราชสีคก็ฉลาดกว่าใครๆหมดเพราะเป็นพุทธะนิสัยของพุทธะตรงรอบคอบกแต่นี้ พระราชนตรีจะนั่็เดินวนไปวนม า, นมาเข้าไปก็รู้ไลยว่าโอ้อันนี้มันเป็นแก้วผลึกแก้วใสท่านก็เดินไปทางปากถ้ำพอปากถ้ำเสร็จแล้วก็ตะโกนสีหนาดร้องสีหนาดแผดเสียงอพอแผดเสียงสะนั้นหมาจิ้งจอกคนนั้นกลัวเกิดความกลัวก็เลยหัวใจ หัวใจวายตายหัวใจแตกตายเนี่แหละอันนี้ก็คือจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าหมาจริงจอกตัวนั้นนี่แหละเคยมาได้มาเกิดเป็นลูกของลูกชายของช่างกันบกช่างตัดผมคนนี้แต่นางกษัตริย์นั้นนเป็นลูกของกษัตริย์เมืองเวสาดี ท่านก็บอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเป็นอยู่ณสถานที่ใดก็ตามให้รู้จากสถานะของตนเองเราอยู่ในสถานะไหนควรปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องควรจะปฏิบัติตตนอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานะของเราเราอยู่ในสถานะหนึ่งเราก็มักใหญ่ไฟสูงต้องการอีกสถานะหนึ่ง อันนั้นแหละความเรือดร้อนจะตามมาถ้าเรารู้จักออถ่อมต น, นการเป็นอยู่เราอยู่เพื่ออะไรปฏิบัติเพื่ออะไรเกี่ยวข้องคนเพื่ออะไรอย่างนี้ถ้าพวกเรารู้จักเขารู้จักเรารู้จักสถานะของตนเองคนนั้นไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นถุกในการเป็นอยู่ของตนเองนี่แหละ นิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้รู้จักสถานะการเป็นอยู่นี่แหละเรื่องชาดกต่างๆก็ดีที่เล่าให้ฟังกับเปรียบเทียบกับเราเมื่อเราจะออกไปเป็นคราวาสเราจะไปทำการหน้าที่การงานไหนก็ตามถ้าเรารู้จักเขารู้จักเรารู้จักเจ้านายรู้จักลูกน้องรู้จักการวางตัวของเรานั่นแหละ หน้าที่การงานของเราก็จะราบรื่นตลอดไปแต่เราไม่รู้จักสถานะของตนเองแล้วความเดือดร้อนก็จะตามมาเป็นพวนเลยล่ะทีนี้จนแก้ไม่หวัดไม่ไหวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะผู้ที่จะไปนัสถานที่ใดอยู่นัสถานที่ใดก็ตามมีใช่ว่าจะเป็นแต่พระพระนักศึกษาเท่านั้นที่จะต้องไปเชิญในสิ่งเหล่านี้พวกเราทุกองทุกคนจะต้องไปเชิญ แล้วรู้จักสถานะการเป็นอยู่ของตนเองอย่างไรสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราคิดดูออบวกลบคูณหารการเป็นอยู่ของตนเองให้เหมาะสมถูกต้องเป็นธรรมจากนั้นชีวิตของเราก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่นในการเป็นอยู่และพร้อมกันถึงจะราบรื่นขนาดไหนก็เถอะนะ ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่พ้นแก่เจ็บตายในที่สุดถึงจะดีขนาดไหนก็ดีอยู่ในโลกถึงจะรวยขนาดไหนก็รวยอยู่ในโลกมีความสุขขนาดไหนก็มีความสุขอยู่ในโลกอีอีกสักวันหนึ่งความทุกข์ที่จะเข้ามาในการเป็นอยู่ท่านนั้นคอยเราคอยจังหวะเราอยู่คอยจังหวะนั้นคืออะไรอย่างพวกเรามีความสุขทุกอย่างในการเป็นอยู่ แต่พอใจจะขาดพอมรณะภัยมาถึงใจจะขาดนาทีสุดท้ายนั่นอะเราไปมองเห็นสิไปนอนไปมองโรงพยาบาลสิไปดูคนไข้สิไปดูพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเรารู้สิมีความสุขไหมในจุดนั้น<อ>ก่อนที่ท่านเหล่านั้นจะจากไปเห็นแต่กระเสือกกระสนะประลังประเลือกในความรู้สึก ผลที่สู่ก็หมดไปตายไปเราจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะคิดอย่างนั้นอีกเหมือนกันเราก็จะต้องเดินตามแนวแถวสายที่เขาพาเป็นพาไปเว้นเสียแต่ตายแบบกระทานหาใต้ยกระทานหานก็เถอะเราก็จะต้องได้ทุกข์อีกเหมือนกันเพราะนั้นโลกทั้งโลกเราอย่าไปหวังเลยว่าโลกใบนี้จะมีความสงบพร้มเย็นเป็นสุข มียศถาบรรดาศักดิ์มีชื่อมีเสียงคนนับห น, น้าถือตาเอออันนั้นเป็นความคิดที่โงงๆทั้งหมดในจิตในใจของพวกเราแต่พวกเราต้องคิดไว้อยู่เสมอว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจะเกิดความเบื่อหน่ายคายหลุดพ้นอย่างไงจะพ้นทุกนัยวัะสงสารอย่างไรเราจะทำคุณงามความดีอย่างไรที่จะพ้นทุกจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีก ให้เราคิดไว้อยู่แล้วก็ยึดทําคําสอนที่ที่หลวงพ่อได้พูดเอาไว้กรรมฐานอะไรที่จะทําจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วเราพิจารณาอะไรในกรรมฐานห้าในเมื่อพิจารณากรรมฐานห้าเรื่องอจุพะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอาการสามสิบสองไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้ว ก็ย้อนกลับมาหาตัวผูรู้คือใจใจของเราไปลุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้นใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าจากนั้นก็พิจารณาถึงใจของตนเองบ่อยๆครั้งนิ่พิจารณาจุดเป็นอยู่ในใจของเราตรงเป็นเน็ตจากนั้นก็จึงจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นพรมองเห็นแล้วโลกทั้งโลกนั่จะหาความสุขได้ที่ไหนใจใช่ไหมใจ พิจารณาเมื่ อ, อไหรใจก็ยอมรับเมื่อนั้นจนใจยอมรับเกิดความเบื่อหน่ายในการเป็นอยู่ในแนวความคิดของใจจากนั้นก็ใจก็สลัดทิ้งเห็นอเนจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดแล้วจะไปยึดอะไรยึดอเนจังของไม่เที่ยงเป็นของเราใช่ไหมยึดทึกยึดทุกเป็นของเราใช่ไหมยึดอนัตตาสิ่งสลายทั้งปวงนี่ ที่เป็นไหลไปตามสภาพมาเป็นของตัวเองใช่ไหมใจถ้าใจไม่งงมากจนเกินไปใจก็ต้องรู้ใจก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางจากนั้นก่อนนั่นใจพอปล่อยวางเสร็จแล้ใจก็เป็นมิติหนึ่งหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสโลภโกรลงไม่มีในใจใจบริสุทธิ์ดุดพ้นดัะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนี่แหละพิธีการแนวความคิด คิดมันมีหลายระดับแนวความคิดอยู่ในระดับไหนเห็นอยู่ในสถานะของตนเองอยู่ในระดับไหนหเห็นตัวเองอย่างไรผลในจุดกันนะตามแนวแถวของพุทธาและเห็นตัวเองให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดการพูดและการแนแนววันนี้ก็เห็นว่าสุมพลักับการเวลาขอยุติเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิ